ที่ล่วงแล้วแล้วไปอย่าไฝ่หา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 แล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราญาติมิตรเพื่อนรวมงานพี่น้องก็พรอที่จะเคร่งเครียดไปด้วยมางดีอาจจะเกิดจากเราเป็นต้นเหตุก็ได้เพราะถเราควรจะใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายสบายสบา ย, บายไม่ต้องเคร่งเครียดให้มันสบายมีระเบียบมีระบบง่า ย, ายแต่ว่าไม่ได้มักง่ายนะทำอย่างมีสติ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 ออกจากคุกอารมณ์นี้ได้ติดอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี้ยมันทาให้เราไม่เป็นอิสระสิ่งที่เราติดนี่ก็คืออารมณ์นะจากพูดถึงอารมณ์เนี่ยมันเป็นกลางกลางเราสามารถติดอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์ดีเนี่ยมันก็ติดนะทำให้เราเพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นติดในการดูติดในการฟัง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 ติดเช่นความโกรธความอึดอัดขัดเคืองติดอยู่นั่นแล้วข้ามบานข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีเห็นไหมบางทีโกรธกันจนป่านนี้ยังไม่เลิกก็มีนะเราโกรธกันในสมัยครั้งอดีตเรายังไม่เลิกโกรธในทั้งปัจจุบันนี้เห็นไหมและมีท่าว่าจะโกรธกันถึงตายต่อพบต่อชาติไม่มีว่าอะไรนี่เรียกว่าติดอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเราต้องฝึกใจิตใจเรา ผลจิตใจเราให้ hey, รู้อยู่กับปัจจุบันการรู้อยู่กับปัจจุบันนี่ไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่นะแต่รู้อยู่ว่าปัจจุบันนี่กําลังทําอะไรรู้อยู่ถ้ารู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่แล้วก็อารมณ์อดีตอนาคตเนี่ยก็จะไม่มารบกวนเราสําคัญมากเลือกความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันรู้อยู่รู้แบบไม่เข้าไปอยู่แต่รู้อยู่เห็นอยู่เราจะอยู่กับปัจจุบันแบบมีความสุขแบบผ่อนคลาย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 เวลาเรามีปัญหาชีวิตมีความทุกข์เรามักจะคิดหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์ซ้ําเติมตอกย้ําให้จิตใ จ, จเราเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นทําไมเราจึงเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเป็นการซ้าเติมไม่ได้ช่วยให้เราแก้สถานการณ์ให้ดีขึ้นเลยอสมมติว่าเราปวดเขา่าอ่ะพูดถึงเรื่องเข่านะทุกคนก็มีเขา่าโอ้ปวดเขา่าเราไม่ปวดแค่เข่านะเราไปปวดใจด้วยโอ้ทําไมถึงปวด เมื่อไหร่มันจะหายนะถ้าเราปวดอย่างเงี้ยเราต้องทํางานไม่ได้แน่เลยเนี่ยปลายอนาคตแล้วจะทําอย่างไรเนี่ยเดินก็ไม่ถนัดเมื่อไหร่จะเดินได้สักทีเมื่อไหร่จะเดินสะดวกสดกีเมื่อจะวิ่งได้สักทีทีคนอื่นก็ยังไม่เห็นเป็นเลยทําไมเราถึงเป็นไปอย่างนั้นออกนอกตัวทรงจิตออกนอกนักเข้าเอเวรกรรมแรงของเรานาคิดถึงอดีตอีกแล้วมันเป็นเวรเป็นกรรมแรงของเราคิดให้ความทุกข์มันทับถมใจตนเองทําไมถึงคิดอย่างนั้น ทำไมเราจึงไม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดไปในทางที่เป็นบวกสร้างสารแกป้ปัญหาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรลอกเราปวดข่าแค่นี้ดีกับเราเป็นโรคมะเร็งนะโรคมะเร็งนี่โหถึงตายได้ปวดเขาไม่ตายปวดเขามันก็ดีนะเพราะเรายังมีเขาให้ปวดบางคนไม่มีเขา่าคนขาขาดที่ไม่มีเขาเขาไม่มีโอกาสปวดเขาได้เลยเห็น ไ, ไหมเรานี่ยโชคดียังมีเขาให้ปวดบางคนเนี่ย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 ไม่สบายใหม่ๆพิการใหม่ๆป่วยไข้ใหม่ๆคุณแม่บอกว่าลูกมันเป็นได้มันก็หายได้เป็นได้ก็หายได้โอ้กำนั้นี้นี่เราใช้ได้ตลอดเลยเป็นได้หายได้ไม่เป็นไรใไ่เราลองคิดเป็นทางที่เป็นบวกบ้างมันช่วยจิตช่วยใจเราเนี่ยออกจากความทุกข์ออกจากปัญหาได้อย่างน้อยในขณะปัจจุบันนั้นใจเราก็ดีแล้วเราเคยดูทีวีไหมเวลาเราดูทีวีเนี่ย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 เราก็นําความรู้นั้นเอามาใช้ไม่ได้ความรู้นั้นก็เป็นมันไปดัะนั้นจึงต้องมีการฝึกสติมีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเช่นเวลาเราเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ถ้าเราลุกขึ้นได้เนเราพยายามเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ยังไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรยังมีวิธีต่อไปเราเปลี่ยนยาบทลงไปเปลี่ยนยาบทจากนั่งหรือจาก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 แค่นี้ก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปออกจากความคิดที่เป็นทุกข์ได้แล้วพ่อบ้านอาจจะลงไปทําสวนขุดดินปลูนดินไดาา้หญ้ารดน้ําต้นไม้แล้วก็มีสติอยู่กับงานที่เราลังทําเป็นปัจจุบันแค่เนี้ก็แก้ปัญหาจิตใจได้แล้วหรือคนที่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ป่วยมากก็ไม่เป็นไรยิบผ้าห่มคลี่แล้วก็ยังมีสติแล้วก็พับผ้าห่มผมเคยใช้บ่อยนะ เองก็ไปไหนไม่ได้หรอกแต่เวลาสมัยก่อนที่เวลามันเครียดบรรทุกไม่รู้จะทําอะไรออหยิบประหง ม, มาคลี่ช้าๆอย่างมีสติแล้วก็พับเข้าอย่างมีสติแบบเรียบร้อยทําเพื่อจะทําไม่จะทําเพื่อจะเสร็จทําเพื่อจิตมีงานทําสติสามารถดึงดจิตใจออกจากอารมณ์ออกจากความเครียดได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องพึ่งใคร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 ยามที่เรามีความทุกข์มีได้โดยเหตุปัจจัยหรือโดยกรรมของเราแต่เราก็พ้นทุกข์ได้ด้วยแต่ที่สำคัญก็คือชีวิตเราเนี่ยเวลามันเกิดความเครียดเราจะเห็นว่าอาจจะเกิดจากความคิดหรือการตั้งใจเกินไปทำสิ่งนี้เพื่อได้อย่างใจมันจะเกิดความเครียดเหมือนอย่างกับเราขันนอ็อตเห็นไหเราขันเกลียวนอ็อตยิ่งขันยิ่งตึงยิ่งแน่นถ้าขันมากๆนี่น็อตมีโอกาส แปกได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เคร่งเครียดเหมือนการขันเกลียนดน็อตเข้าไปนั้นให้เราผ่อนคลายการผ่อนคลายนั้นคือใช้ชีวิตแบบสบายสบายง่ายๆแต่ไม่มากง่ายแบบสบายสบายแบบผ่อนคลายยังมีความสุขมากก็ได้เหมือนมีการคลายเกลียวนอ็อตการคลายเนี่ยยิ่งคลายความเครียกก็ยิ่งหายเพราะฉะนั้นเราเครียดได้แต่ต้องผ่อนคลายด้วย